بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا ع و ا ب لله ن ا ل مين ونصلي ونسلم على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد و ع ل ى ع ل ه وصحبه ومن تبعهم بالسنة ا ل د ي ن ة ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. การเรียนคุอ่นอานจะเข้าถึงหัวใจของพวกเราจำเป็นต้องอีเงื่อนไขสำคัญเง่นไขที่ต้องเกิดขึ้นหนึ่งก็คือหัวใจของมนุษย์จะต้องไม่ไม่กราบไหวบูชาหรือหลงไปตามดุนยา รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นอัตลักษณ์ของดุนยามันสิ่งที่ทำให้หลงตามดุนยาที่เป็นนามธรรมก็ได้ไม่ต้องมินไม่ต้องบ้านไม่ต้องอํานาจแต่อาจจะเป็นเรื่องเรื่องหลงก่แล้ว อาจจะไม่ได้หนตามวัตถุ ก, ก็ได้หนงตามความเชื่อของตัวเองเพราะความเชื่อของตัวเองถูกต้องเสมอหน <c oughs> งตามความอยากแม้นต่นความอยากความความรูปความต้องการของมนุษย์นั้นก็ไม่ได้ผูกพันกับเรื่องวัตถุ ว่าทุกคม่อูว่าทุกอย่างอ๋อที่เป็นเรื่องเรื่องสมมุติเรื่องอุปโลกที่เราได้อุปโลกขึ้นมาแล้วก็เชื่อวและก็หลงตามมันไปด้วยถ้าเได้สังเกตได้นะครับว่าดินยาก็จะเป็นอุปสรรคสำหรับพวกเราพวกเราที่ ศรัทธาแล้วนะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในคุตตานนแล้วนะแต่ก็จะเป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้เราใกล้ชิดมากขึ้นกับอัลลอ์ใกล้ชิดมากขึ้นกับพระ ด, ดรินแบบของพระองค์้องดูอะไรที่ทำให้เราละหมาดนะลองไลด่ดูแต่ละเรื่องดูเนี่นนยทั้งนั้น อะไรที่เราทำให้เราห่างไกลจากอัลกุรอานอ่านกุรอานศึกษากุรอานเรื่องดินยทั้นั้ดินเนียถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยนี่หมายถึงว่าโลกคำว่าโลกในภาษาไทยเนี่ยมันไม่ค่อยลึกซึ้งหรือมันมีความหมายกว้างเหมือนคาว่าดุนเนียไม่กระดับรักษาปโลก โลกโล ก, โกแต่ดุนยาดุนยาเนี่ยมีที่ไปที่มาดุนยามาจากดันนาดันนาแปลว่าต่ำถูกเรียกดุนยาเพราะมันตกตา่าแล้วนี่เป็นหลักฐานว่าคาําศั่งหลายคาําศัพท์ที่มนุษย์ชายเนี่ยที่ไปที่มา น, นี่มาจากฟากฟ้าเหมนกันนะไม่จำเป็นต้องมาจาก คมพีหรือบทบัญญัต no, no. ิเจาะจงโดยเฉพาะไม่ตั้งแต่มนุษย <vasive> ์ใชยนี่ได้มาจากอัลลอฮฺสุบฮานะอุตาะห์ทั้งนั้นซึ่งมราทันนี่ก็เรียกอันกันอยู่นะอัลลอฮฺเราได้สอนท่านนาบีอาดมอัลลัสมานามชื่อความหมายทั้งหลายนี่ท่านนาบีอาดมได้ใช้มาแล้วแล้วก็ถ่ายทอดมา บางอย่างเราก็ได้มาลูกหลาอนอดัมทั้งหมดเนี่ยได้มาเป็นคำศัพท์ที่คล้ายขึ้นกันคล้ายขึ้นกันเอธเอธอเอทต้องอีใช่เอท แฝรั่งเาไม่รู้จักกันนะเอิร์ธอะไรนะเอิร์ธเอิร์ธนดิงเจออรดอรดทรอรดเอิร์ธสันนิฐานเนี่นภาษาศาสตร์บางท่านบอกว่าที่จีนเนี่ยอัลลอฮได้สนท่านในภาษาเดียนี่แหละแล้วนบีอาดัมก็ถ่ายทอดลูกหลานอาดัม บางที่เนี่ยบางพื้นที่เนี่ยเขาก็ได้มารักษามาเพี้ยนบ้างไม่เพี้ยนบ้างแต่สุดท้ายนี่จะมีบางคําศัพท์เนี่ยไม่มีคำศัพท์แค่นี้นะเยอะมากเนี่ยชีว้ว่าราศัพท์นี่มันภาษาเดียวและเป็นาาวิทยานิพนธเป็นยเย่าอีกของนักภาษาศาสตร์คนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่อิบเขาอ้างว่าภาษาอับนี่คือมารดาของภาษาทั้งหลายแล้วได้อิบยกตัวอย่าง ประมาณ 1,000 พันคำศัพท์มาจากภาษาทุกทวีปจากแอฟริกาจากเอเชียจากอเมริกาจากทุกทวีปเลยไล่ราษฎร์ใ น, นมีความคล้ายคลึงกันนะดุนยาเนี่ยน่าจะเป็นคำศัพท์หนึ่งที่ลูกหลานอาดัมหลายหลายคนยังไม่ได้รักษาซึ่งมันสื่อถึง การที่ส่วนมากของลูกนหล่นานั้นหลงดึงยาแล้วจะสอนให้เรามองโลกนี้ว่าเป็นสิ่งที่ตกต่าแต่ผลลัพธ์นี่มันไม่ได้เกิดการเที่อลลายวบัญชาเ่ยเพราะคนส่วนมากนี่เขามองว่าโลกนี้คือสิ่งที่สูงสุดเป้าหมายสูงสุดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ถ้าคนที่ ทราบซิ้นในบทบัญญัตินี่แค่ใช้คำว่าดุญญาและการลึกซึ้งกับคำว่าดุญญานะเก็ตเลยนะดุญญาตกต่ำถึงแมว่าเราจะเห็นว่าอมันสูงขนาดไหนตำแหน่งนี้มันสูงทรงค น, นบ้างวยอยู่สูงขนาดไหนแต่แท้จริงตกต่ำอันนี้คือสิ่งที่ท่านระเบียบสนมบาวงวันในวัชระได้ถ่ายทอด ในคำสั่งสอนของท่านนอกเหนือจากกุรอ่านเลยคำสั่งสอนที่ท่านบํบีถ่ายทอดมานี่ยให้เราได้มีอคติกับดุนยาไม่ใช่ไม่ได้หลงนะให้มีอคติแล้วนี่แต่อะไรกัน็ดุนยานี่มานไอ้ดุนยานี่มันมาไหมไหนกูจะหลงท่าไหน ให้มองดูนี่ยเป็นอคติไม่ให้มองในี่ยดีมันฟกเราะชาเลิกมันเด็กมุฮัมมมุสลิมเขาจาไม่กลัวรลกบนโลกบนโลกท่านจะประสบความแยกชนเงความแยกชนโดยนไม่กลัวแต่รัฐบาลทั่วโลกเนี่ยพร้อมมุมมองของประชาชนทั่วโลกเนี่ยอะไรที่กลัวมากที่สุด เรืที่จริงเนมาร์กซ์ได้สอนแล้วว่าเนยความแยกจนโรคะอะไรอนยะ่สามอย่างที่มันร้ายแรงที่สุดความแยกจนแล้วก็โรคแลกอย่างหนึ่งความแยกจนนี่คือคือคือเลวที่สุดะนะรัฐบาลไหนจะประสบความสําเร็จคือที่สามารถขัดจัดความแยกจนคนเราเนี่ยคนโดยบุคคลนี่นะ จะเรียกว่าชีวิตเขาเี่ประสบความสําเร็จนี่คือคือรวยละหาคนที่ประสบความสําเร็จหมายถึงอะไรเขารวยละแล้วก็จนแต่ทำได้อะไรหลายอย่างเป็นคนจนแต่ทําความดีเยอะเป็นที่รู้จักในสังคมว่าเป็นคนดีสังคมเรียกว่าประสบความสําเร็จไหมไม่เลยไม่เลยอาจจะถูกตำหนินาะโอ้บางคนอาจจะนี่ คนนี้ทำความดีอย่างเดียวไนมะ่ไหวได้ามดทำไม่มดหวังผลประโยชน์ขอความช่วยเหลือทําือไทยคนรวยทุ่าทำทำไม่มดเรียกค่าตอบแทนไม่ได้อะไรเลยนะสังคมแม่อะไรโอ้เพราะทุกอย่างนี้มันก็ถูกคิดเป็นเงินเป็นทองเป็นเงินเป็นเป็นผลประโยชน์เป็นไรายได้ มันฝั่งรักษาอะไรงก็ไม่นบีรุบะข้ามยันต์ตันี้ันไม่คนนะว่าแต่ในอัลลอกูมุดดิญยาที่ันกูวอันีคือดินยาอเรานตามดินยาตามดินยาแล้วเนี่ยแตต่ใฟะซุฮะแตม้ต่ใฟะซุฮะพวกเราก็จะแข่งขันกันามดินยาช็เนาายุอนีเขาแข่งขันกัน ฟُาตูหุ่นิกَ م ุ้มกามละก็ทุ่มวิญญาณน ا ل ก็จะทำให้โลกเจ้านี้หายนะเช็คชิ้นที่มันเคยทาให้ประชาชนยุคก่อนนี่หายนะกันมาแล้วมองวิญญาณเป็นคตินะมันจะมาหไหนที่ทำทำให้เราเนี่ยหลงท่าไหนเราก็ไม่รู้หลงท่าความรู้ก็มีนะในเนึ คนนมันบุคคลดีแต่จะไม่ผิดท่านในส่วนในนอส่วนเราบอกว่าสามคนที่จะถูกทารมายในรบเนี่ยคนแรกเลยสามคนแรกแรกเลยคือเรียกว่าแนวหน้าที่จะถูกเผาในรบเนี่ยนั่นมุญาฮิตคนที่ต่อสู้ในหนทางขอเราถูกเรียกว่ามุญญาฮิตเราบอกก็โยนนรกเลยไอคนนี้ก็บอกว่าโอ้ลูกข้ารับเจ้าต่อสู้ในหนทางพวกอง แล้วบอกว่าเขาเด็ดเจ้าโกหกไม่จิเจ้าได้ต่อสู้ให้คนไม่เรียกเจ้าว่าเป็นคนกล้าหาญเป็นคนคนเก่งอีกคนนึงคนทาบุญเยอะทุนบุญเยอะมากเลยลอก็ยมับเลยาโอะเจ้าทำบุญในหนตงพระองค์ลก็ดจ้า ولكنك أنفقت ا ل ي ق ا จะว่าเจ้าได้บริจาคเจ้าได้ถูกเรียกว่าเป็นคนใจบุญเป็นคนใจดีเป็นคนเป็นคนชอบทําบุญไอ้คนนี้ชอบถูกเรียกว่าคนก้าวหันชอบถูกเรียกว่าคนใจบุญอันนี้ก็ดุนยาไหมดุนยาดุจชื่อเสียงนะดินยาชัดๆชื่อเสียงในโลกนี้ไม่ได้มองถึงชื่อเสียงในอะไราชื่อเสียงในโลกนี้ที่มันสัมผัสได้ บริจังมาดินี้ไปล้านหนึง่งไม่เอ่ได้ไงโ อ, โอ้โหแผ่นจารึกหน่นาสุราอู้หูมันยิ่งกว่าอก้อนก้อนหินที่เมลามิดหนึ่งคนนี้คนนี้คนนี้หาล้านคนนี้คนนี้คนนี้สองล้านคนนี้คนนี้อันนีนนนนนน้เป็นค่านิยมนะถ้าต๊ครูครูบาอาจารย์สอนสอนว่าไอ ได้พูล่นกัได้แต่ปกปิดนดีกว่าตามคำสั่งสอนผมก็อ่ินทุสซาดะก้อิฟานิอิมไมดยาไม่เป็นไรแต่ต้องไมสุดใจนะแต่จะเปิดเผยนีให้คนอื่นเนี่ยเลียแบบนี้ไม่ได้โออินตุฟูฮะวะตุตัวฟุการ่าฟะฮูะ ر ุลเลกุมอินทุบดุซาดะก้อิฟานิอิมไมเปิดยซาดะก้อไม่ได้แต่ได้าปกปิดไปมอบให้คนจนเงียบ ฝ่าว่าให้รุนลกมย่อมดีกว่าสำหรับพวกเจ้าดีกว่านี่เหมือนกันหากเงินเนี่ยไม่ต้องเอาดุญญานยาดิเขาของอันน้อยอย่างเดียวชื่อเสียงนี่ไม่ต้องเอาของดุญญนยาดิไม่ต้องเอาเอาของอันน้อยอย่างเดียวนบีสอนด้วยวิธีชีวิตของท่านเงินทองที่ไหลามาเข้ามือท่านน บ, บีซาบะคอเออสกาดเอซับเชลเออแต่ไปดูบ้านของท่านน บ, บีนี่ ทีนอนของท่านน บ, บีเปน็นยังไงผ่าชนะของท่านน บ, บีเปน็นยังไงให้เห็นไงนบีปกติจะนมาบชื่ๆมันนานพี่รังนมีละมาเร็วผิดที่สัยดินบีละมาเร็ว ส, บบเรวสลามวุดวุ่งเข้าบ้านเลยแล้วก็ออกมาซาบ้าจะเฉยเหรอ <laughs> ไม่ผ่านต บ, บีท่านทําทอะไรที่ไม่เคยทําเลย ร, มมรีบทำอย่างมี้นรีบแล้วมารีบเข้าบ้านนะว่าจะก็ตุ้ทิบบริเีณบทีถ้ระเจา้าไึกไม่กลัวมีมีทองคาอยู่ส ร, ร้อยเป็นแหวนหรือเป็นอะไรสักอย่างหนเกรกลัวขมาเจา้าฝขี้สอับดิยลลที่ฮียฟีบตีขมาเจ้าเกรกลัวว่าจะค้างแรมคืนหนึง่งแล้วก็ไอ้ทองคามันยังอยู่ในบ้านฉันโอ้แค่ครอบครอง สตังโดยไม่มีเหตุผลนะนะตบีก็รีบไปแจกแกคนม่ใกล้ต there, ัวท่านบีก็ซึมซับรื่งนีท่านอีงายชัยนี่วันหนึ่งมุฮาวิยแมบีซุเยเนี่ยส่งเงินไปให้เนี่ยสีมืนดีนาร์สี่มืนดีนาร์เนี่ยเป็นล้านนะคูณสพันหนึ่งพันดีนาร์เนี่ยคูณประมาณประมาณันบาท ก็เป็นล้านเนี่ยสีนี่ก็เป็นล้านเลยสล้านหรือสองล้านเป็นล้านนไปให้นี่่นดส่งไปนยเนี่ตอนเย็นหลังอัรีอมกริบไม่เหลือเียงเลยนไงชนี่เตียงามทุกทุกสงันทุกทุกอามกริบพอดี ก็บอกกับลูกน้องบอกว่าเออฉันถือสิ้นอดนี่เอาของกินไหมไม่มีจ้ะในบ้านนี่ไม่มีบ้านบ้านท่านนี่น่ไม่มีอาหารไม่กินเลยเอาแล้วทไมไม่บอกไม่เตือนนเจะได้เก็บตังค์ไว้นิดนึงคือท่า น, น า, า, า, าเาอย่าราก็ต้องถาม ว, ถาาาว่าทาชนีไม่มถือสนนน่หาเก็ต้องหิวหิวบ้างใช่ไหมในบุรีมีอะไรแสดงว่าท่านงาชนนี่ ก็ไม ok ่ได้ดูนะเพราะตกรู้ก็ไม่ได้มีตู้เย็นอยู่ก so ็ไม่ยอมมานั่งเปิดตู้เย็นวันนึงไรู้เอิดไม่รู้กี่รอบมีมีนู่นีนี่สายเราตู้เย็นใครใครบ้านเราในโลกบ้างอะโล่งถ้าโล่งก็เราก็ปิดซะเสียไปซื้อมาทำไมตู้เย็นปิดซะตู้เย็นมันต้องเต็มน ถ e, okay. ้าเจอมาท่านเช่นีอาแ้วเขามีอะไรที่เก็บของแต่เขาห้องไม่ดูก็ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเหลือไม่เหลือนี่อยูภรรยาของท่านนแสดว่าซึมซับไหมซึมซับแต่คนที่ซึมซับไม่บนมากที่จะมีขีดอบุษรอัลกิฟรีเรื่องอิสลามว่าิรอไ่เรื่องหนึ่งอีกสตอรี่ที่น่าสนใจมาก อับูจาลกิฟารีไม่ได้เป็นชาวมักกะนะแต่เป็นผ่นบุกเบิกเป็นคนที่รับอิสลามรุ่นแรกๆและเรีน่รนี้เราจะไม่เล่าพอยาวเอามาพอท่านนาบีเสียชีวิตพราะกฏว่าคนที่ได้สำแดงคาสั่งสอนของท่านนาบีในวิถีชีวิตที่จะต้องมีความสมถะไม่หลงตามดุญญาไม่ความสมัคกับบุญญา มากที่สในหมู่ชาวบเนียก็คืออบูซาร์ซึ่งความเข้าใจในเรื่องสมมติานี้มีข้อแตกต่างกันระหว่างชาวบาอาบูซาร์นี่เอาแบบฉบัที่แบบเป๊ะๆไม่หลงตามดุนยาในการหม่ถึงว่าดุนยานี่ไม่ให้อยู่ในชีวิตเนี่ยรอบนี่ไม่มีดุนยาหัวใจก็ต้องไม่มีดุนยาฉะนั้นอบูซาร์จะทนี่ซาบที่มีบ้านใหญ่โตซาบาที่บ้านเขามีสัมภาระ มีเงินทองเยอะโอ้ยทำอย่างนี้ไม่ไงนบีไม่เคยเป็นแบบนี้เลยหมายถึงว่าเขาอยากจะให้ซาบะทุกคนเนี่ใช้ชีวิตเหมือนท่านนบีสุลต่านอัลเาะห์เลือกสั้นอะแต่เป็นที่รู้กันว่าแต่สมัยท่านนบีก็มีคนรวยคนที่ใช้ชีวิตแบบสุขสบายแล้วนบีก็ไม่ได้ตำหนิซาบะก็เลยมีความเข้าใจทัศน์นะซาบะส่วนมากมีความเข้าใจว่าคนที่มีมีมีทรัพย์สินแห่งโลกเบญญานี้ แต่ได้ทําหน้าที่แม้ว่าจะเป็นเรื่องสก่าเรื่องซดก้เรื่องอะต่าในหุนตาวเรสุภาโนวดาในเต็มที่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้บุญญาแต่ที่สําคัญที่สุดนะนี่เงื่อนไขที่ทราบว่าเอกฉันเลยบุญญามีอยู่ในมือได้แต่ห้ามมาสถิตอยู่ในหัวใจอะเรก็ได้ในบุญญานี่ไม่อยู่ในหัวใจคือถ้ามันอยู่ในมือเนี่ยตุญญาไม่ในมือเนี่ย ชา้ชาในช้าเนี่เราเราเปิดแอธนาคารเฮ้ยเงินเข้าแ้ดลันดีใจไหมทัมีวันหนึ่งแอดลานเข้ามันชีเฉยนะดีใจไหมดีใจเที่ยงกลางวันน่ะนะแอดลานนีออฟแล้วไปแล้ ว, ลวเสียใจมากดีใจได้ดีใจได้แต่ถ้าเสียใจมากนะ ถ้าเสียใจเสียใจแบบเช่ น, นบอโอ้เสียใจไม่ได้ทำไม่ได้ทาบุญเอ้ยนายเสียใจว่าไม่ได้ทําบุญแต่ได้หากว่าเสียจะอู้จะซื้อตั๋วไปดูโน่นน่นไอ้ไอ้แหม ท, ที่อังผิดนี่ไอ้โงกับไอ้นี่มันจะเล่นเงินจะซื้อตัว๋วไปจองตัว๋วตั๋วที่นู่นมาอยู่กับเงินหน่งตั๋วเป็นแสนเลยนะบ้านเรานี่ยโขโขโข สี่ก้อนแม่กนาะยหงเนี่ยเสื้อไว้ ย, ยังไม่ซื้อเลยแต่ไอหงนี่ใส่โชว์ด้วยถ่ายรูปยิ่งเธอได้ซื้อตั๋วแล้วก็ไปนไปดูกันอ๋อโหซลาฟีกันซะใายมันรู้บ้างให้มันรู้ว่าพวกเราเป็นใคร ผมว่าเ้ามีโอกาสเปิดให้ไปกาซ่าเนี่ยคงไม่บกันหรอกเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่น่าที่น่าภูมิใจนะเรื่องที่น่าติดคุกมากกว่าอโมจารมีในต ม, มีสาหายบาัตมมีถึงขนาดที่สาหายบัตบางท่านเนี่ยริ่ม้านเลยเนี่ยเพราะตมมีต่ ว, ว่าพวกนี้หลงตังดินเนหลงดินเนีใครที่มีบ้านใหญ่โตหน่อยนี่หลงดินเนหลงดินเนยไปฟ้องกันอุสมนนนานในเมื่อฟ่าน อุลมาเนบนาฟานเป็นประพิษมหาอภิมหาเศรษฐีที่มีหนุ่ดตามดินเนียรู้รวยมากแต่เขาไม่ได้อยู่บ้านหรูหราเงินส่วนมากในบริจาคในขนทางท่านเข้าใจอบดุลรแต่ท่านมีความรู้มากกว่าอบดุลรเรียกมันอบดุลรที่ท่านมีความเห็นนี่มันก็ถูกตั้งแต่นั้นมันไม่ใช่ความมันไม่ใช่การชี้นําของท่านนบี นบีได้สั่งการให้ทุกคนเนี่ยต้องสมมถะเหมือนทัานสมมถะหมายถึงว่าในทุกรูปแบบของชีวิตนะแต่ที่เป็นเงื่อนไขพื้นฐานของสมมถะนี่คือหัวใจหัวใจเนี่ยต้องไม่หลงดํามดูเนี่ยและนี่คือประเด็นส ร, รุปว่าท่านนบีซุนนะวะเราเนล่ยมีคำสรรคั่งสอนมากมายที่สําคัญที่นบีนั้นมากเนี่ยเพราะมันเป็นอุปสรรคที่จะทําให้มนุษย์ ทุกคนเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงคำสั่งสอนอย่างลึกซึ้งดุนยามันจะขวางอะดุนยามันจะขวางคิดดูสิแค่เรื่องสวรรค์ น, นี่นะถ้าคนที่หนงตามดุนยาเนี่ยแค่อ่านเรื่องสวรรค์ในกุรานนี่นะจะเทียบกับอะไรเทียบกับเรื่องที่ได้ที่ได้สัมผัสในโลกดุนยา เช่นกินอาหารอร่อยๆ อ, อ, อย่างเงี้ยไปอยู่บ้านรู้รู้หลามากเงี้ยโอสวรรค์คงมีแบบนี้อ้สาสวรรค์คงมีแบบนี้สวรรค์คงอร่อยแบบนี้เอาของดุนยาเนี่ยนี่คนคที่คนที่แบบว่าลงเยอะกับตามดุนยานะเอาดุนยาเป็นแบบอย่างทั้งนั้นดิ ถ้าเรียนรู้คําสั่งสอนของท่านเบีก็จะรู้ว่าไม่ใช่ไงว่าสิ่งที่อยู่ในสวรรค์นี่ในโลกในโลกนี้เนี่ยเราคาดคิดไม่ได้หรอกมันจะเหนือกว่ามันจะสวยกว่ามันจะดีกว่าแน่นอนแต่นี่มันให้เห็นแนวหากเราได้ยึดมั่นในโลกดุนยานี้ถึงขนาดที่หัวใจของเราเห็นความสําคัญของมันมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีผลกระทุก คลกระทบในการเข้าถึงคำสั่งสอนของพระเจ้าในการที่จะทำหน้าที่อะไรบารต่อพระเจ้าส่วนเนื่ยที่เราได้เห็นกันจนเป็นเรื่องที่นบีจะเริ่มขัดเกล้าสุฮาบะแม้ว่าจะอยู่ในสถานะที่เ ร, รวบริยากจนทำไมอะโอ ยากจนเนี่ยไม่เสมอไปนะพาคนยากจนเนี่ยเขาจะมีความสมถะเขาจะไม่หลงตามดุนยาพอเขาไม่มีดุนยาให้สเสอยเขาจะไปหลงทามไมอย่างก็ไม่มีตัวแปรเลยไม่ใช่บางคนที่ยากจนเนี่ยหลงดินยามากกว่าคนร่ํารวยโดยสันไปอาการที่เขายากจนแล้วก็อยากได้สิ่งต่างๆของโลกดุนยานี้ มันมีว่าตัวเองอยากจนและความอยากของตัวเองนี่ก็จะทำให้วิถีชีวิตเนี่ยมุ่งที่อยากจะได้สิ่งที่ตัวเองไม่มีนี่เป็น อ, เ ร, อเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะสังคมบนพวกนิยมวัฒนธรรมมันจะสอน สอนให้พวกเรานี่เป็นแบบนั้นจริงๆเราอยู่สุขสบายมีความสุขสวมรองเท้าธรรมดาธรรมดาใส่เสื้อธรรมดาธรมาธรมดาพอแค่ว่ามาละโฆสอารองเท้าอยากได้โฆสอาเสื้ออยากได้โฆสอนาอยากได้ ได้แล้ววันี่ได้แล้วนะคนจะไหนวันนี้สวยกว่าันดีกว่าจะเฮ้ยนี่ดีกว่าอยากได้งนี่ดีเป็นที่ไปที่มาวะทำไมคนบางคนนี่เนี่ยมีตู้มีตู้เสื้อผ้าเนี่ยรองเท้าเนี่ยสี่สิบคู่กระเป๋านีา่ยี่สิบใบเขาไปทำอะไรและคนที่ต้องเตือนมากที่สุดเนี่ยเพศไหน เรื่องอยากได้นี่อยากได้นี่อยากซื้อนี่อยากได้นี่ได้มาแล้ววงหนึ่งแวงหนึ่งอืมพอผ่านด้านขายเพชรขายทองันเหมือนไฟช็อตเน่อยากได้อีกซื้ออีกได้แล้วสองวงลนะอยากได้อีกสุดท้ายนี่การเป็นอะไรสมบิมคันหรืสุด ถึงบางคนเขาบอกว่าภรรยาล่นนี่นะไม่ยากหรอกไม่ยากเลยไม่ยากเล ย, ย, เลยแต่เราต้องมีนะเราต้องมีนะสร้อยสักเส้นหนึ่งแหวนสักวงหนึ่งโอ้โหขอให้มันระดับภูเขาหุ้นเนี่ยเราเอนดิบินแบบจ๋า งนอนกเขาหุ้นเนี่ยโอ้สลายไปหมดเลยไม่เหลือจริงผู้ชายก็มีนะแบบนี้ก็มีผู้ชายแต่สำหรับผู้หญิงนี่เป็นเรื่องเรื่องครอบครองโดยเฉพาะของที่ระยิบระยับนะ<ม>แต่เรื่องที่มันใกล้ตัวมากที่สุดเนี่ยจะละมาสิ่งที่ขับขวางให้เราไม่สามารถละหมาดตรงเวลา สิ่งที่ขัดขวางไม่ใหเราได้เรื่องตืนและมาเตี่ยมุ่นเล้นไม่มีเวลาอ่านกุศอา่านใครควรกุศลเราไม่รู้แต่ละคนอยู่พวกเราเองผมเองพวกพวกเราในรองรไปค้นหาแล้วกะตรวจสอบตัวเองมันเป็นรูปแบบในการขัดเกลาตัวเองให้รู้ว่าความรักที่เรามีต่อ Allah ต่อกุศนมีมันมีข้อที่จริงมากไม่แค่ไหนมันเป็นวิธีง่ายมากที่สุด และสามารถทบทวนตัวเองได้ปรับปรุงตัวเองได้ดยวิธีนี้ฉะนั้นเราจะพบในคุรานละหะดี้สุนัขะบสม์ลอมมาฮ์เลอเซมม์มีการยกตัวอย่างอุปมาไว้สิ่งดุญญาให้เราไม่เห็นท้าแท้ของมันแก่นแท้ของมันดุนยานี้มันคืออะไรมันคือแค่นี้ไม่มีอะไรมากมายนะเท่าก็ที่เราเห็นกันเอาาัลมัส 4แสนห้ามื่นล้านคนเรานี่มันัคิดรายได้เงินเดือนมีได้เท่าไหร่แต่ได้ต่อเดือนไอ้วกนี้เนี่ยเขาคิดไรายได้ต่อวินาทีวินาทีวินาทีเนี่เข้ากี่แสนกี่ไรบัญชีเข้ากี่แสนกี่ไรวินาทีเป็นตัวอย่างหรือเป็นแบบอย่างของคนทุนโลกคนร่ารวยที่สุดเนี่ย ใครไม่อยากจะเหมือนเอเลนเบิร์สต์คนบ่วยคนเศรษฐีมีวารสารฟอร์บส์ระบบคนร่ำรวยที่สุดในโลกหรือในแต่ละเพเที่ยตั้งไว้ที่สุดแต่ไม่มีนะไม่มีนะวารสารที่จะบอกพวกเราว่าใครที่ยากจนที่สุดในโลกะไร ไ ม, ไม่มีใครอยากเจอเงี้ยคนยากจแนแสดงว่าสังคมนี้ไม่มีศีลธรรมเลยไม่อยากรู้เลยว่าใครผู้สมควรแก่สังคมที่มีคุณธรรมเนี่ยต้องรู้ว่าคนยากจนมากที่สุดเนี่ยคือใครจนที่ต้องส่งความช่วยเหลือลด่วนที่สุดคนที่เดือดร้อนมากที่สุดเนี่ยต้องรับความช่วยเหลือเร็วที่สุดมันต้องมีเบต้ข้อมูลนี้มากกว่าสั ง, สงคมที่มีคุณธรรมแต่สังคมโลกนี้ทั้งหมดเนี่ย เราจากคุณธรรมนี่เพราะอะไรไม่อยากรู้หรอกคนยากจนเพราะเราไม่ได้เป็นคนใจบุญแต่เราเป็นคนที่มีความโลภทุกคนอยากจะรวยถึงอยากจะรู้ว่าเขารวยกันแค่ไหนที่จริงเนี่ยเขาบอกว่ามีเจตนาแฝง น, นะวารสารเนี่ยมันต้องการให้พวกคนรวยคนสิทธเนี่ยแ ข, ข่งขันกันไอ้คนนี้รวยนะรวยเท่าไหร่นะโอ้ดูกูต้องต้องขยันจะได้รวยจะได้ มันทับเส้นนะีนี้โดนทับเส้นอุปมาในคุรานเนี่ยให้บองว่นโลกดุนียานี่มีอายุขัยสั้นระยะเวลาของมันนี่สั้นแล้วสำหรับคนที่ยึดในวัตถุทุกคนนะนะก็จะรู้ว่าความสั้นนี่หมายถึงว่าความไม่มีอะไรประโยชน์อะไรค่าสิ่งที่มันสั้นๆในระยะสั้นๆนะ มันได้ข่าได้ประโยชน์คนส่วนมากที่จะชอบครอบครองสิ่งที่มันมีฮะแม้กระทั่องอาหารน่ะนมเปี้ยวอะไรเงีงเ้ยนมเปี้ยวเราต้องดูหมดอายุเพราะเราไม่รู้นี่สมมติอาหารมี่หมดอายุอีกสาวันน่ะมีใครกล้าไปกินนะใส่ตั้เย็นก็ยังไม่กล้าเราไม่รู้ไม่รู้เราจะกินเมื่อไหร่ โอย่าให้มันอยู in, ay ani, ay ani ่นั้นเอออยู่นั้นนานกับเนั่นนานนตามหลังสอนว่าดิ้งเงี้อยู่ไมนานเช็คสิ่งอายานี้อายายี่สิบสี่ของสูรัยนัสสิ่งนี้อยู่ในช่วงในท่อนที่เราได้พูดถึงสภาพของมนุษย์ พยานิษสะท้อนสภาพของมนุษย์ในการมองถึงดุนยาซึ่งมันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องการยอมรับในอัลกุรอานซึ่งมันก็เป็นเป้าหมายของโซลัดยูนุสอยู่แล้วโซลัดยูนิสจะกำลังพูดถึงท่าทีของมนุษย์ต่ออัลกุรอานเขางาจะเอายังไงกับกุรอานาซโลว่าท่าทีของผู้คนต่อดุนยาเนี่ยเหมือนกัน แล้วมันสะท้อนถึงท่าทีของมนุษย์ต่อกุศลเหมือนกันที่มันเกี่ยวกับท่าทีของต่อดุ نية คนที่ยิ่งห่างไกลจากดุ نية หรือดุ ن ي าไม่ทาให้คนหลมหลมตามดุเนียนี้โอกาสที่เขาจะเข้าถึงคุณอ่านเข้าใจกุณอ่านจะมีมากกว่าบ้าดาวุลิเลห์มีนเชื่อตอนโรจีอินนามา حياة ดินยาคบ้าอินอนเซลนาหุบินัส اختلط به ن ب ا ت الأرض مما يكون الناس و ا ل أ ع ا م حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن عنها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كعلم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ه م ا ق ع ل ت ي وبما ชีวิตในโลกนี้อันหะยะตั ด, ดุนเนี่ยอุปมาของชีวิตในโลกนี้ชีวิตของเราของเขาของทุกคนเนี่ยในโลกนี้ในโลกดุนยานี้อุปมาชีวิตในโลกนี้แค่นมาอินอนเซลละว่มีนมตสระดังน้ำฝนที่เราได้หลั่งมันลงมาจากฟากฟ้าชีวิตของเราเหมือนน้ำฝนแค่นีน้ ก็พอนะในการอุ ป, ปมาเข้าใจได้นะทำไมอ่ะพอน้ำฝนนี่ยังไงระยะสั้นนิดเดียวน้ำฝน ล, ลงมาอยู่ไม่นานชาวนานี่จะรู้มากกว่าคนอื่นว่าน้ำฝนมีส่วนมากลงมาชาวนานนี่จะรู้เลย ฝนตกไปไหนอะจม b e n นดินเลยหมายถึงว่าพฝนตกแล้วเนี่ยเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากน้าเลยเฮ้ยไม่จริงก็นี่เนี่ยเขารองฝนกันแล้วก็ได้ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ของน้ำฝนที่เราสามารถรองได้กับนวณฝนที่ตกมาจากก้าวฟ้าทั้งหมดเนี่ยกี่เปอร์เซนต์อีกเดียวฝนที่ไรได้ ประโยชน์โดยตรงจากจากมันนะ่ทีเดียวแต่ที่มันจะไปได้ประโยชน์จากน้ำฝนทางอ้อมเป็นพืชผลไม้นี่ไม่ใช่แต่ตัวน้ำฝนนะ่ะนะถ้าเราเอาอุ ป, ปมาแค่นี้นะอุ ป, ปมาสั้นๆนี่นะชีวิตของเโลกดินญญนี้อแต่ที่ใบภาษาวิทยาศาสตร์เลยอายุไขัยเด่นไลของชีวิตของเรานีนะก็เหมือนน้ำฝน นำฝนมีนตกมาแค่ได้แค่นั้นน้ำฝนมีบางทีนีนตกเจ็ดวันหนึ่งเยเจ็ดวันหนึ่งสเปนนินฝนตกเจ็ดวันเท่าก็ตกทั้งปีแลนะว้วนะตกเจ็ดวันหนึ่งนะทุ่นกันหมดแล้วแต่ก็เจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันในปีหนึ่งนะสามร้อยหกสิบปอนด์ระยะสั้นมาก ของน้ำฝ น, นแค่นี้เราก็สามารถเข้าใจได้นะึ่แต่ผมก็อยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยเราก็มองไกลกว่านั้นเช่นอันที่งน้ลังมันงจากฟากฟ้ า, ฟาสิน้นพืชของแผนดินนบัตุลอรดีพืชของแผ่นดิ น, น, น, ดนได้ข้าเขากับน้ำนั้นพืช ผลเนี่ยมันไม่ผสมตัวกับน้ำและลกอกเงยมาเป็นผลผลิตที่เราได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์จากนั้นโดยตรงเพราะพืชผลที่เรามากินเป็นเป็นพืชเป็นผ ล, นผลนไม้เนี่ยมันไม่ได้เป็นน้ำอย่างเดียวป็นเป็นอย่างอื่นเอาม่บอว่าเรามองไกลกว่านั้นแต่มันก็แค่นั้นระยะเวลาของการปลูกพาะ พืชผลพอถึงเวลารดน้ำจะใช้น้ำฝนหรือ จ, จะรดน้าเองใส่ปุ๋ยจนกระทั่งพืชผลนี่มันลอกเลยขึ้นมามีผลผลิตออกมาเนี่ยสําหรับชาวนาะชาวสวนนี่นะสั้นมากสามเดือนหกเดือนปีหนึ่งอย่างมากที่สุดมีผลผลิตต้นไม้ที่มีผลผลิตใหญ่ๆนี่เช่นธุริยเอนอย่างเงี้ย กีป่ปีทุเยนกี่ปีหกปีวนะห้าปีทนกันได้ปลูกสักห้าปีนะสุดท้าเนี่ยจะได้กินอะไรเหม็นๆเนี่ยปลูกสักห้าปีมันไม่เหม็นครับเที่มันถอมอันนั้นะอันนละเล่าวเหม็นมะเล่าว่าเหม้ น, นะนแต่สาวน่ะ บ, บางคน หอมหอมมากด้วยเหล้านี่หมักเป็นยิ่งหมักนานยิ่งหอมก็บอกว่ายิ่งหมักยิ่งหอมซื้อขวดหนะึงเป็นแสนเฮ้ยเขาหมักกันสองร้อปีจะได้มา ก, กินมา ก, กินอะไรกินคล้ายๆปัสสาวะอย่างเงี้ยแต่เขาชอบประเด็นมันไม่อยู่ตรงนี้นะ่ประเด็นอยู่ที่ว่าถึงแม้ว่าจะนานแค่ไหนอะนะผลผลที่เราปู่พ่อกันเนี่ย ถ้ามันก็ถือว่าระยะสั้นไสตูนนี่ก็นานนะปลูกนห้าปีสิบปีเหมือนกันพะล้ำนี่บางทีสิบห้าปีแต่มัเนีที่เรากินเนี่ ย, นนะ ย, ย, ต, ยต้นกว่าจะลอกเล็ดโตแล้วลก็มีผลผลิตเนี่ยสิบปีสิบห้าปีสาวมะพร้าวก็แบบนี้ปะมะพร้าวก็ประมาณเนื้อมีใครปลูกมะพร้าวมั้ยไม่มีแล้วปลูกอะไรกันนะฮะ อย่างเดียวชาวนาเนี่ยที่ฟังที่อ่านและพิจารณาเขาจะลึกซึ้งกับอายะห์เบอร์นี้มากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นชาวเกษตรไม่ได้เป็นชาวนาลึกซึ้งมากเดวจะไอ้ฮาดีสของท่านนาดีฮาดีสที่เกี่ยวกับเรื่องเกษตรเนี่ยแต่นี้อธิบายตรงนี้ไปก่อนเตือนผู้นูจะได้ไม่ลืมอ๋อบอกว่าชีวิตของเราในโลกดินนี้มันก็เหมือนน้ำฝน่ะ ปันกับอะไรอะพืชผลประสมมนกับพืชผลสินไปอะกูนุ่นแน่ส่วนอนามสิ้นไปพผลนี่นะบางส่วนของมันมนุษย์และปะศุสัตว์ใช้กินเป็นอาหารนั่นหมาย ว, ว่ามั้ยวุปมาของดุญญนยามีนก็เหมือนผลประโยชน์อย่างหนึง่งเห็นเห็นเนะนะมันมาหาเรา อ, อย่างนะี้นะแต่สุดท้ายนะี่มันก็จะกลายเป็นผลประโยชน์ของคนอืนอ่นเขา มันก็จะกลาเป็นของกินของมนุษย์และปศุสัตว์ไม่ทั้งหมดที่เราจะไปเก็บเกี่ยวและก็กินกันเองหรือน้ำฝนที่เราจะได้มาแล้วก็ใช้ประโยชน์อยู่คนเดียวคนอื่นก็จะได้ประโยชน์ไปเรื่อยแต่ประเด็นมันก็ยังไม่ดีอยู่ตรงนี้อุปมานี้ต้องการให้เราได้ทราบสิ่ง ในความตกต่ำของโลกดุนยานี่ของดุนยานี่เน่ชีวิตของดุนยานี่นยให้ชัดที่สุดให้ทราบซึ้งที่สุดแ่รู้วน้ํ า, น, านี่มันไปปนกับพืชผลและกลายเป็นอาหารการกินกุรอานี่สุภาพมากที่สุดแต่ชาวอาลอรบนี่จะเข้าใจา ย, ยกตัวอย่างอุปมาเกี่ยวกับอาหารนี่ หมายถึงว่าบั้นปลายของมันก็นคือคืออะไระอุจระในบั้นปลายของอาหารนี่คืออุจระแต่กูอ่านจะไม่พูดไงแต่ว่ามาริ ม, มุลขอต้อบพูดบอกว่าอัลลอฮฺจุมฮานะวะดาระดิยุ ปุบมาของโลกดุนยานี้ก็คือสิ่งที่ออกจากร่างของเราไม่ใช่สิ่งที่เข้าเพราะสิ่งที่เข้าเนี่ยมันก็เหมือนมันก็สั้นนิดเสรุปแล้วเนี่ยดุนยานี้ก็คืออุจจาระเพาะว่าดขาต้นบอกว่านี่นี่คือที่สาราเข้าใจกุฎอ่านไงดุนยานี้ก็คืออะไรเอาว่าข้าวต้นบอกว่าอัลลอฮ์ได้ยกอุทาหอณในกุฎอานนี่แก่ก็ดุนยานี้ก็คือสิ่งที่ออกจากร่างของพวกเราภาษาว่อุจจระสิ่ง สิ่งเน่าเหม็นเนี่ยสิ่งสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะมองวีใครอยากไม่กินถ้าเราสามารถมองโลกดุนญานี้ได้ว่ามันเหมือนอุจจาระนั่นแหละคือความสังเกตนั่นคือความความลึกซึ้งในการเข้าใจ อ, อัากฏการณ์อย่างแท้จริงแต่มันมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายคนชอบชอบขับมอเตอร์ไซค์เนี่ย แล้วก็อยากได้เยบิ๊กอะไรนบิ๊กไบจะมัวงว่าบิ๊กไบเนี่ยเป็นอุตราหะะดคนชอบคนชอบเล่นบอล่นงเงี้ยไอ้นันของเ้านี่ก็คือฮีโร่ฮีโร่ของนักเตะบอลเนี่ยมหัมลนาอย่าเงี้ย ถ้ามีใครบอกว่าไอ้ น, น, น, นี่ไอ้นี่นี่ทุกคนนี่นะคล้ายคล้ายอุจาระีิชอยู่ถุเนะ่ย่านะไม่ได้นะนี่คือศักดิ์ศรีนยศักดิ์ศรีจริงนะบางคนดนี่แตะทีมเขาไม่ได้เลยนะแตะ ไ, ไ่แตะไม่ได้เลยวิจารณ์ก็ไม่ได้ แต่กานที้เราได้มองความตกต่ำโหดรนยายตนี้เหมือนที่ฟัง ว, ออว่าเรามองว่าแสดงว่าเราเราเราถึงจุดที่สําคัญและ้ะของการอุปัติมาเอาเรามาว่านีหละน้ำนี่มันมาสดใสสวยงามพืชผลก็สวยงา ม, งามเคยเห็นหมะผักเขียวเขียวสวยๆแม้กระด้งเนี้อสัตว์ที่เรากินในเวลาเขาเวลาเขาจัดจักในห้างในตลาดโอ้โหน่ากินดึงเยนะมัน <c oughs> มันอยู่ แต่ถ้าเรามองนี่ทั้งหมดนี่คือ อ, อ, อารขาบอกก็คือสิ่งที่ออกจากร่างของเราสําหรับบางท่านนี่ก็มองแบบนี้แนละ้วก็เอามาเป็นอุทาหรณ์ในการวางนโยบายการรับประทานอาหารเ้ามองว่าในเมื่อกินอาหารทุกชนิดในสุดท้ายนี่มันก็จะมันก็จะออกมารูปแบบเดียวถูกต้องไหม ท่านจะกินอาหารเมนูเป็นแสนหรือจะกินอาหารจานลสามสิบบาทสุดท้ายนี่ของคนรวยกับคนคนจนยังไงสวยกว่ากันไหมเป็ <c oughs> <c oughs> นอะไรห้องน้ำนี่เหมือนกันหมดเลย <c oughs> <c oughs> มาตามตัว ท, ที่อธิบายละเอียดนี่แต่มันจะให้เห็นภาพไงหรืออาจจะมีคนจะเข้าใจว่าอ๋อกินเมนูเป็นแสนเนี่ยเดี๋ยวอึมันจะออกาอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันหมดเลย สาลรับท่านนี้เนี่ยเขาบอกว่าในเมื่อมันเหมือนกันหมดไเลยนะฉันไม่เสียเวลาหรอกฉันไม่เสียเวลาและไม่ให้การกินอาหารเคี้ยวอาหารเนี่ยเสียเวลากับมันถึงเคยมาที่ชาวเซีร์ลัคนหนึ่งซื้อนมปังมาเอานมปังมันมาฉีกๆๆแล้วก็ใส่ไปในน้ำแช่ไปในน้ำ เขาเพ่งถามมาเรก็บอกว่าขนมปังมันก็จะเอาเมาก็จะเคีย้ยวนี่มันเสียเวลาแต่แช่ไว้ในน้ํานี่มันจะผอกแล้วก็กินเคี้ยงง่ายแล้วเสียวไม่เสียวเวลาเร็วเร็วเร็วเร็วไปเร็วไปเร็ว <c oughs> นี่มุมมองมุมมองนะซึ่งสมัย <c oughs> ท่านระวีและสหบ้านในสารานีก็จะมีก็จะมีไปเรีย่างนี้พอสมควรแต่ในเมื่อ เบีส้นลุ่มล่ออยู่ส้น ล, ลุมเป็นแบบอย่างสำหรับมนุษย์ทั้งหมดนบีก็ไม่ได้ทำแบบนี้ตลอดชีวิตนะเบียบททุ ก, ทกรูปแบบให้คนอื่นสามารถเรียนแบบและมีแบบอย่างให้ทำได้สำหรับคนที่อยากจะกินอาหารอร่อยเขาก็มีแบบอย่างจัดท่านรีสำหรับคนที่อยากจะสาสมาุทถไม่กินเลยกินน้อยที่สุดเนี่ย ก็จะพบในชีวินท่านเอก็มีแบบชอบเบงเน่นเลือกเอาสิชีงแต่มันมีเงื่อนไขในการที่จะมองว่าอาหารนั้นน่ะมันมีความสำคัญในหัวใจเท่าไหร่แค่ไหนผ่านไปแล้วเดือนสองเดือนสามเดือนหนึ่งปีไม่ได้กินชาบูจะตายไหมตายไห แต่บางคนเนี่ยไม่ได้เดือนหนึ่งดีเดือนหนึงน่งผ่านไปแล้วเดือนหนึ่งไม่ไดีขึ้นเยะจะอูอ้กูกลัวเจ้นตีบหัวใจเนี่ยาไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กินชาบูเกินได้แต่อย่าให้ความชอบในเรื่องอาหารเนี่ยมันครองหัวใจครองความชอบของเราทุกอย่างถึงขนาดที่เรายอมเสียสละอะไรหลายอย่าง แต่ได้สิ่งที่เราที่เราชอบที่เรารักที่เราหนุูสำหรับผูสัานี่ไม่ขวดกินได้ไหมชาวบ้นี่กินได้เนื้อก้าด็กนี่กินได้เนื้อสเต็กของบางโตนี่กินได้กินได้มันโตก็บอกก็หนึ่งไม่ต้องกินทุกวันหรอกกินทุกวันก็ไม่ไหวเหมือนกันะกินได้แต่ถึงขนาดที่เราจะเออเป็นโอทัมอันนี้สาหรับคนบางคนนะนะ อาหารที่กินจนต้องแพงอาจกินอาหารถูกนีวไม่ได้ไม่ได้ซึ่งการกินอาหารสำหรับคนบางคนหรือการสวมเสื้อผ้าหรือการใช้ชีวิตก็เกิดต้องมีเกตเรื่องราคาซึ่งมันไม่จำเป็นเสมอไงสำหรับผู้สถานธะาไม่จำเป็นเสมอมาถึงจุดที่มรุรองนาวด า, าอาะให้เราได้เห็นน้ว่าไอ้เนี่ย ก, การบวกการ เท่าเราไดอุปมาโลกทุกยานี้นี่น้ำฝนมาที่ลงมาเนี่ยมันเหวี่ยงปละดาวไปปนกับพืชผลแล้วก็งอกเลยมาแล้วก็กลายเป็นอาหารคนปศุสัตว์กินคนกินแล้วสุดท้ายนี่ก็เป็นอุจาระสัตว์กินแล้วก็เป็นมูลสัตว์เออไอ้กระวนการทั้งหมดเนี่ยมันควรที่จะทําให้มนุษย์เนี่ยสมนุล แล้วก็ไม่หลงตามวิญญาณี้เพราะมันถ้ามันแค่นี้นะสรุปมันแค่นี้นะมันก็วนอย่างนี้นะวนตกหยุดวนหลอกเลยไปซื้อของกินกินแล้วถ่ายมามก็วนอย่างนี้ใช่ไหมวนอย่างนี้จริงๆเป็นวันๆ น, น, นะทําอะไรเราจะเข้าห้องน้าสารบังคั บ, บเหนียว อ, อายอายที่จะให้อา ม, ม่าได้เห็น ฉันเนี่ยเข้าห้องน้ำเหมือนเดิมไปถ่ายทุกเนี่ยบ่อยครั้งมากกว่าเป็นน้ำบาดเข้าห้องน้ํามากกว่าน้ำมาดเดี๋ยวก็ดี๋ยวก็เดี๋ยก็ข้าเดแล้วก็น้ำาดไปกี่ครั้งนะนับวันที่เข้าเป็นเข้าไปห้องน้ำไปไปถ่ายทุกนี้ มากกว่าเวลาที่เราละหมาดดิคับสารบัญของข้าพเจ้าอายที่จะให้อัลลอฮฺเห็นเห็นเราเนี่ยไป่ายทุกมากกว่าการทาหน้าที่ต่อพระเจ้าอัลลอฮฺจึงบอกว่าไอ้คนนี้ไม่สำนึกนี่ฮะแต่ إذا أخذت الأرض زخرفها دون قدرة نهب الدين بينهم براكوت قام مطلع مكمل زخرفها أ خ ر ت الأرض زخرفها. أقام بريك ل سري سوادني ه ب ه ا เมื่อความ أرام، ความ أرام، أرام، ของแผ่นดินได้ปรากฏ زخرف قام أرام. وزيادة، تنين ه ب ه ا وزيادة، نتبوبرداب ر د ا ด้วยพผลอย่างสวยงาม ถูกประดับประดาด้วยพืชผลพืชผลนี้อันนี้วงเล็บก็ได้นะเพราะมันถูกเอ่ยมาก่อนอนนี้อย่างสวยงามซุฮรุฟะฮานีวะเซยันตอย่างสวยงามนี้วะเซยันตซูฮรุฟฮานี่ตรงนี้พาแปลว่าถูกประดับประดาด้วยพืชผลแต่อาจารย์ทีเรกเขาบอกว่าซุฮรุฟะฮานี่ความอารามไม่ใช่ฮามนะความอาราม แต่วัฏยนตนีอันนี้เขาใช้คาว่ายัางสวยงามซึ่งอันนี้เป็นนามที่จริงในวัฏยนต์่เป็นการะอาจารย์ดิเรกุลสุิสักก็และและแผ่นดินและสุพรรเป็นการะนะซึ่งเหมกว่าแต่อาจารย์เเขาภาษาเขาจะนี้หน่อยจะไฮโซหน่อยอันนี้เขาจะง่าย แผ่น n ินหมายถึงว่าโลกคำว่า r ผ h นดินอรนารบ e กหมายถึงว่โลกใลกโลกเนี่ยมันได้เริ่มปรากฏความมดงามความมดงามของมันและถูกประหลประดาด้วยพืชผลอย่างสวยงามก็เลน้ำฝนที่มันตกมาแล้วก็ลูกพืชผลลูกหญ้าปลูกอะสวยงามปัญหาอยู่ที่คนมันม่ไอยู่ที่น้ำฝนมันมอยู่ที่พืชผลอยู่ที่คนเรานแ่ฮู้เอันน้นมดิรอะไร เจ้าของของมันของแผ่นดินเนี่ยของโลกเนี่ยใครอะมนุษย์นี่เจ้าของชาวนาชาวสวนเจ้าของโครงการต่างๆของโลกดุนยานี่ที่ต้องอาศัยทรัพยากรเหล่านี้เจ้าของของมันก็คิดว่าแท้จริงพวกเขามีอำนาจเหนือมันเหนือโลก เ, นเหนือดุนยาเนี่ยมีอำนาจเหนือดุญญนยจาจะปูกร็ปูก เผาก็เผาอย่างที่กําลังเห็นนี่จะปูก็ปูจะเผาก็เผาจะเปลี่ยนเกษตรเป็นอุตสาหกรรมก็เปลี่ยนฉันทําอะไรก็ได้เปลี่ยนอุตสาหกรรมไปเป็นเมืองท่าเรือเป็นบอลคาสิโนของที่หนครนี่พื้นที่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ร่ํารวยนีร่ารวยด้วยสปายกร แต่เป็นั ง, งพื้นแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นเป็นพื้นที่กเกษตรร้อยเปรเประเทศไทยนีย่ไม่มีทะเลทรายนะปทะเลทรายเอาต้นไม้เอาต้อ น, อาตอนอะไรนี่ไปปักที่ไหนเนี่ยขึ้นซึ่งไมีประเทศตัวนี้หา ย, ยากแบบนี้นะแล้วกานที่เราจะหาแหล่งรายได้ สิ่งประเทศที่เขาอยากได้มีพื้นที่ปลูกเกษตรแบบนี้แต่าตร์อัมบาซีใ่ผู้ก่อตั้งประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยตอนนั้นนั่นมันมาลเริ่มมาลก็เ่ซาอุดีเริ่มรวยละแต่ตอนนั้นนะซาอุดีก็ยังเป็นทะเลทรายต่คนทั้งวันนี้ก็ยังเป็นทะเลทรายไปเยืนประเทศอียิปต์ตอนนั้นมัเป็นระบบกษัตริย์กษัตริย์ฟาุกกษัตริย์ฟาุกนี่ก็พานั่งรถไฟ รถไฟของกษัตริย์เนี่ยวิ่งตลอดแนวนี่มีแต่นาข้าวมีแต่สวนพืชผลทั้งหลายทั้งสองฝั่งแล้วก็มีแม่น้ำนายมีพาตรงการเนี่เป็นแม่น้ำนายสีสวยงามทั้งสีเขียวน้ำก็สีฟ้าสดใสกษัต ร, ริย์ราชินีกษัตริยกษัตริย์ฟรูุกบอกว่าท่านเอาน้ำมันของผมไปเขาน้นมันไม่เปเลย แล้วขอไม่นานขอไม่ น, นานเลยแล้วขนาน้ำมันเป็นไงพอตอนนั้นน่ประเทศอาหรับนี้ยเขามองว่าประทาี่โอ้โชคดีมาก น, ำน้ำมันไปได้มาาษาเนีกระแสบริษที่ามีรูปมีรูปตอนนี้เพิ่งพิชิตเมืองริยดนี่นะตอนนั้นน่ะพวก คูนำํำเผาทั้งหลายอย่างกระสับกระสือเนี่ยเดินโดไม่ใส่รองเท้าเขามีรูปมีรูปที่ถ่ายรูปเนี่ยไม่ใส่รองเท้าความที่เขายาก้นเขาเอาน้ำมันเอาปแต่ขอดไม่น้าใดเนี่ยองขอมอาเนี่ยเราเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอยาวานพีพ่ผลกิจ อ, อุตสาหกรรแม้กระทั่งเรื่องการเป็นการตายการ มีชีวิตการมีสุขภาพไม่มีสุขภาพอย่างเราต้องเลือกทกอย่างโรคชนิดใดนี่เราต้องหายารักษาได้มีปัญหาสุขภาพอะไรทุกตจัดการได้หมดไม่พอนะสุขภาพมีดีอยู่แล้วแต่ไม่ชอบแบบนี้ชอบอีกอย่างนึงชอบอีกอย่างนึ่งแ้วแต่เีาไม่ไดาอีกอย่างนึ่งเราจัดให้ เนืออำนาจเนื้อทุกสิ่ ง, ง ท, ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างแต่นี่เรานกตัวอย่างของชาวนาชาวเกษตรที่เขาได้เห็นฝนลงมาแล้วเขาสามารถปลูกได้สามารถเผาได้สามารถทำอะไรก็ได้จะเก็บเกี่ยวไปกินเองจะเก็บเกี่ยวไปทาบนุนจะเก็บเกี่ยวไม่ทําบนเป็นสิ่งในกุลาานก็มีตัวอย่างของคนดีคิดว่ามี ผนผลิตแล้วเนี่เป็นของตัวเองแล้วไม่ต้องทำบุญนะออมากัางคืนนี่นไม่เก็บเกี่ยวอยากให้คนจนเนี่ยไปเห็นไม่ทันไปนตอนกลางคืนเนี่ยบัญชาของราอนเนี่มาเสียก่อนต้าผ่านี่ไม่หมดเลยสวนของเขาเนี่ยไม่เหลือ <c oughs> อัตาฮะอัมรุนาัลเลนันอนฮะรอบขารู้ว่าขาี่เหนอกว่าอันนัเหนอกว่า เหนือกว่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่คำบัญชาของพระบัญชาของเราของอัลลอฮ์เนี่ยได้มายังมันย่งคนที่หลงตามปัญญานี่ยนะในเวลากลางคืนหรือเวลากลางวั น, นอันลลอฮ์จะไม่ตือนนะสําหรับคนที่หลงอัลลอฮ์จะไม่เตือนฟ้ญาลเละห์ฮัซีเดาะเราได้ทาให้มันทูกเก็บเกี่ยวฮัซีดะทูกเก็บเกี่ยว กัลลัมตบิลอัสสมสซมวนกัวาไม่มีการหวานมาแต่วั น, วนหวานานอันนี้แปลผิดแ น, น่นดกว่านนี้ก็คือโรยมเมล็ดพืชซึ่งกัลลัมตะหาไม่เกี่ยวเลยกัลลัมตะหงาหมายถึงม่ตะหแปลว่านวดงามสเสมอมันไม่ได้นดงามมาเมื่อวันวานไม่มีน้ำงาเลย กันว่ากนากนากนากานากิน น, น, น, นี่เป็นาระมรยุยต่างกนานี่คนที่มั่นแข็งร่ำรวยตอนเรได้ส่งบัญชานี่จัดการผลผลิตของเขาเนี่ยสเสดเหมือนว่เมื่อวานนี่ไม่เคยงดงามมาเลยชาวสวนนี่มาไหนอะพื้นพืชผลผลผลิตของเขาไปไหนอะดําำตีเนี่ยเป็นที่เท่ า, าเนยเหมือนไม่เคยงดงามมาก่อน แก่ลีกเช่นนั้นละเราได้จำแนกองค์การต่างๆแกหมู่ชนผู้ใครครวหรืกลุ่มที่จะึกาสรุปสันสนชีวิตของเรานี่ทุกวันนี้นะโอกาสในการที่จะมีความสุขสบายมีหลายมิติมากมาย เราไม่ต้องสงสัยเลยนะครับอ่าถ้าเราจะใช้แบบสบายๆ ไ, ได้ได้เราจะมีตังค์เยอะและใช้ส่วนนั้นได้จะมีตังค์จะซื้อบ้านจะซื้อรถจะซื้อเสื้อผ้าจะซื้ออะไรได้นอกจากว่าเยี่ยมเรีทําหน้าที่เรื่องสอดวกเรื่องสากาัดนี่อันนี้เป็นหน้าที่ของทรัพย์สินอยู่แล้วนะแต่มันยังมีอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญแล้วจะทําให้เราเนี่ยไม่หลง ด, ดํั่งเนี่ คือผู้ศทธาเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยก็ต้องเลือกวิธีที่มันลาบากบบางมีมันกินได้อะไรตามสบายตลอดเวลาทุกเวลาได้แต่เราต้องเลือกบางเวลานี่นะกินสิ่งที่มันแย่ที่สุดไม่ต้องกินเลย ถึงโดยรถมาบ้านเนี่ยเป็นข้อบังคับที่จะให้เราได้งยุดนะบังคับเลยนะทำไมอ่ะเบรกหน่อยอ่ะไอความอยากความต้องการโดยเฉพาะเรื่องเรื่องอาหารขึร้นอบียเนี่ยเีรกเนะบังคับเลยนะต้องหยุดหยุดแต่มันก็เป็นอุดหนุนให้เราเนี่ยสามารถหยุดได้ไม่ต้องไม่ต้องวารีบเลยนะนะไม่ต้องถูกบังคับนะหยุดได้ด้วยตัวเอง ด็กอามอเดมุลขต่อเห็นสองสามคนหนึ่งไปตลาดไปไหนก็ถามเล่นๆไปไหนเจ้าไปไหนดูดีอยากกินขนมอยาไปตลาดไปซื้อขนมหน่อยอมเมต่อว่าเอาว่าคนลม่อยากกินอะไรก็ออกไปซื้อเลยนโอ้แต่ เดี๋ยวนี้มาดูเลิเวรี่ดิอยากกินอะไรล่ะบางทีก็ไม่อยากกินนี่แหละแค่เห็นแค่เห็นรูปมันน่ากินแอะไรที่คนจะชอบดูแล้วก็ไลค์มากที่สุดนหมนะะอ้ตอนไปไปกินด้นอาหารกันแล้วก็ถ่ายรูปมาแล้วคอมเมนต์น่ากินทังน่ากินทั้ง โ <laughs> พอสอะไรที่มันมันจะไม่ไม่สื่อเรื่องอะไรกก็เรื่องอาหารไม่สื่ออะไรกับเรื่องอาหารจะเห็นชัดเจนกว่าคอมเมนต์เนี่ไม่ไม่เคยไม่เคยกระตุ้นในรูปคนเราเองเนี่ยนะแต่ชอบเซลฟี่จะชอบถ่ายรูปของพวกนี้มากกว่าทนนําไมเพราะมันง่ายเมว่าเรากินมันตลอดเวลากินทิ่งวันเนี่ย แ้มันจะมีอะไรแน่กว like ่าไอ้ท <expedition iento> ี่กินน่นะถ่ายถ่ายให้มันรู้บ้างว่ากูกินอะไรอยู่นะถ่ายง่ายมันไม่ต้องมีฉากไ่ต้องไปที่ไอ้ที่กินนี่นะถ่ายถ่ายเขาดูพอเมื่อไเขาตอบบอกว่าพวกคุณนี่ยึกจะกินอะไรก็ื้อเฉยๆงั้นเหรอนันหมาว่าเอาไม่หักันล้วบอกว่าบางที่ไม่อยากกินอะไรนะนึกไปก็ได้ดิละนึกไปดิละว่า เพื่อพิสุดนให้ตัวเองเนี่ยได้รู้ว่าไม่ได้ไม่ได้หลงไม่ได้ว่าเออทาไมกินโหจะจะเป็นลมจะตายจ้าแล้วไหเฉยๆจริงเฉยๆแต่ิสุนให้เราได้ทาจริงๆเน่ยว่าเอออยากกินนะนะแต่เราทิ้งไปเลยอาตุลเลมีอุบัติมลูกชายของอุบตมีาีรอที่อุบัติพูดมีนปกฟังไว้กับลูก อับดุลลาฮ์เนอูมรมีลูกสาวบลลนี่ยอูมรเนี่ยที่สินอดลูกสาวนี่ก็ไปซื้อวัตถุดิบขนมที่พ่อชอบกินทาขนมทั้งวันใกล้ตะละสินอดเนี่ยใกล้มะริบเนี่ยมีมิสกินนี่มาก็ประตูอัสรังมังลังคุมขอกินหน่อยไม่มีอะไรจะกินเลยอับดุลลาฮ์เนี่ยมรบอกกัลูกสาวบอกว่าเขาอาหารดิบ ขนมที่เธอทาเนี่ยไปให้เขากินทัหมดเลยขนมทั้งหมดเลยที่ทาให้ชันกินเลยนะให้เขาหมดเลยอย่าเบเตอบีนฉันทำทั้งทั้งวันนี่นั่งทำขนมนี่ยนี่ลูกสาวหรือภรรยาในเวลาเขาทำอาหารเน่ยเนี่ยแต่เราไม่ได้กินเนี่ยเสียใจมากเสียใจมากเลยเหนื่อยขนาดนั้นนี่ คุณพ่อได้กินอาหารขนมที่อร่อยอร่อยที่ชอบอยู่แล้วดยให้อาหารอย่าอื่นก็ได้นี่อาหารอื่นนะอื่นก็ได้อดมุมรวลมตะนาลุลบิรน่อาวซเัมรลมตะนาลุลบิร์ฮัตตอตุนฟิกูิฮิบุพวกเจ้าจะไม่บรรลุจะดจะไม่พบคุณธรรมอันจนกว่าพวกเจ้าตุนฟิกูบริจาคนินต บริจาคจากตัวให้บุลสิ่งที่พวกเจ้าชอบต้องเสียสละไม่เสียสละสิ่งที่เราอยากจะสละอยู่แล้วอาหารไก้จะบูดแล้วเฮ้นี่มันจะบูดแล้วมนจ่ใจถุงเสื้อมันขาดแล้วเอาของที่บอกว่าเราจะสละอยู่แล้วนะ อันัก็ได้บุญอาวัก็ได้บุญแต่จะได้บุญถ้าอะไรซื้อเสื้อมาใหม่ๆเลยยังไม่ทันใส่เลยนะอะไนี้บริจาคไปดีกว่าเนี่ยเดีก็ต้องส่งบริจาคไปเลยพี่นองน้องทำดูดิโอ้มันเป็นความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันจริงแล้วนี่ว่าช่วงแรกนี่อาจจะอุดหน่อยเสื้อซื้ อ, อมาพันสองพันหนึ่งเนีย หวังว่าจะใส่โ้จะใส่แล้วก็ไปกินข้าวไปอวดเพื่อนหน่อยนี่แต่ช่วงนี้กำลังวางแผนว่าจะว่าจะโชว์หน่อยอะนะนริจาคเยอะอยากได้สิ่งที่มากกว่าความวดงามของมันเนี่ผลบุลจากอำลาจนี่ในะสิ่งที่เราชอบนี่บริจาคเลยช่วงแรกเนี่อยอาจจะเจ็บใจหน่อยนะ แต่ความสุขที่มันจะได้มาจากการทําผลแล้วมันแค่นี้นะมันจะอยู่กับเราตลอดชีวิตแตอ่อย่าไปพูดกับใครนะทาแบบนี้เนี้ยอาหารดีๆเนี่ยซื้อมาอย่างดีๆเลยไม่กินให้คนอื่นกินอะไรแบบนี้ทาบุญให้คนให้คนกินอาหารที่เราชอบอาหารกร่อยที่เราชอบแล้วตั้นแบ่ดิสมาวสุมมัเพ ร, ร, ราว่าอย่าว่าอย่าว่าเรบริจาคนะ ที่พีน่น้องทัมงแม่ทม้งพี่น้องตัวพี้นี่แหละไม่ยอมหนึ่งว่าพ่งของผมถ้าราชอบอยากได้นหมนะก็ชอบให้พี่น้องของเรานี่ให้เขาได้เหมือนกันแต่อยากได้รวยไหมเออเราขอให้เขาก็รวยด้วยเรา อ, อยากได้ของดีเราเนี้ยเขาอยากได้เหมือนกัน คตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านี้เราอยากได้แต่คนอื่นอยากได้นะคนอื่นอยากได้โดยเด็ดขาดและถ้าคนอื่นได้แล้วเราไม่ได้ล่ะโหเขาไฟเลยอันนี้เขาเรียกว่าอิจฉาริษยาจะได้หักล้างสิ่งเหล่านี้แล้วส่วนมากเรื่องอิจฉาริษยาเรื่องความโกรธวุ่นคำไม่พอจะดีทั้งหมดนี่มันได้เกิดจากการที่เราได้หนงดำดุนยาอยากได้ครอบครองดุนยา ให้มากที่สุดส่วนมากมาก็มาจากเรื่องนี้เช่นเดียวกันคนที่หัวใจของเขาดี่ไม่มีความโกรธไม่มีความแค้นต่อคนอื่นส่วนแรกเป็นคนสมรรถเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่เรื่องวิญญาในเรื่องวุญญาณเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับเขาไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาแข่งขันกันมืออนนฮะัับบสสรีกกว่า ในอัคราฟ้าสบีควันค์คอิลย์ฮะมันน่าฟัซค์ค์ดินยาฟร์มิบีฮะในนั่งรีใคดิค์เห็นแข่งขันเรื่องอัรานเรื่องสวรรนียากให้ใครเข้าสวรรค์ก่อนเราแข่งขันกันให้เราต้องนาหน้าเขาต้องอยู่ในแนวหน้าแต่ใครที่มาแข่งขันกันในเรื่องดนยาเนี่ยเอาดนยานี่ยโยนเไปเลยโยนดนยาอาจะเอาชถึงบว พี่น้องกันในเวลามาแบ่งมรดกกันนะเราควรที่จะมีนิสัยของชาวโซลักในเรื่องนี้สมัยโซลักเนี่ยเขาไม่เคยทะเลาะกันเรื่องแบ่งมรดกเขาไม่เคยทะเลาะกันเรื่องนึ่งมรดพอพี่น้องมานั่งแบ่งมรดกเลยเธอเธอจะเอาอะไรเอาไปเลยที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวฉันเอาก็ได้โอ๊ยไม่เอาฉันไม่เอาแกเดี๋ยเอาเนี่ยเออเอาใครไม่เอาดูดูผมเอานะนี่เครเอาอะไรเลยเขาไม่เอาดีมากจริงๆเนี่ยเขาไม่ทะลาะกันเ่งมรดก สว่วนมากนะเดีนี้แ่ะพี่น้องที่รู้ว่าดีกันทั้งชีวิตเนี่ยพอกมาออกมาดูเนียนี่แหละพอในดุนยาเหมือนกันพอเรในดุนยาสําหรับพวกเรานี่นะเราทีอ่อยู่กันที่นี่นะตอนอ่านคุณอ่านอ่านฮะดีสเนี่ยเราอาจจะสัมผัสกับเจตนารงของท่านนบี กับพระประสงค์ของมนุษย์ภารร่วมกขยามอย่าให้หัวใจของเราเนี่ยยึด ต, ติดอะไรกับโลกดุนยาทำไมอ่ะเพราะดุน ญ, ญานี่มันตำ่ำดุนญยญตำ่ำแล้วกุอาและฮ า, าดิสนี่สูงแล้วคนเรานี่ถ้ายังอยู่กับของต่ำนี่นะจะเอี่ยมไปหยิบสิ่งที่มันสูงๆไม่ถึงเราต้องปลดสิ่งที่มันดึงเราเนี่ยให้ตกต่ำเราจะได้ เบาขึ้นเบาแล้วก็สามารถเอื้อมไปจับสิ่งที่มันสูงส่งครับอสมุวาหะน บ, บีนาข้ า, ศ า, ศาวมาดีว่าอะไรอุสาเบอซาอดีตอะไรเศรษอะก็เศษคดี่ผมเลี้ยมบอกเนี่ยที่โยมผมเลืมบอกว่าเรื่องดุนยาเนี่ยเราไม่หนุนตามดุนยาแต่ การนี่เราใช้ดุ尼亚ถูกที่ถูกทางอย่างศาสนาส่งเสริมนะอย่างที่บอกว่าเออเรามีดุนี่ดุ尼亚อยู่ในมือเนป็นคนหมาจะีไได้แต่เราต้องทาหน้าที่เหน้าที่ในเัืองเกษตรนีมีอาิสูหลมันทึอเรียมาบุคคลหรือมุสลิม่ลบิสซุลลอฮฺและสัลลัมได้บอกว่ามันจรางร่าม่เหมือมุสลิมอินหรือไม่เหมืนมรีอิน จะร้าวร้างหรืยักรสหรส์ฟายกินมันหรือมนุษย์หรือนกหรือสัตว์อื่นๆไม่มีมนุษย์คนหนึ่งคนใดได้ปูกพืชผลชนิดหนึ่งชนิดใดแล้วมีมนุษย์นและปศุสัตว์ต่างๆเนีได้มากินจะคืชผลนั้นได้ประโยชน์จากพืชผลนั้น พืชผลมนุษย์กินเนะีอันนี้เข้าใจดีก็เราปลูกใหม้มนุษย์กินนะ่ะส่วนมากแต่ไหนอะที่ปศุสัตว์แนละกันกจะมากินไหนอะนี่ยโดยที่เราไม่ตั้งใจนกจะมาขอกินเนละไม่มีมนุษย์หรือปศุสัตว์หนระือนกมากินจัดพืชผลที่เราได้ปลูกนี่นะเว้นแต่เอาง้อจะบันทึกเป็นผลบุญสําหรับ เราสําหรับคนที่ปลูกพืชผลแสดงว่าทําอะไรอาจะจะเป็นจะเป็นเกษตรจะเป็นอุตสาหกรรมจะเป็นการค้าอะไรก็ตามถ้าสิ่แวดล้ อ, ลอมไม่ใช่มนุษย์อย่เดียนะสิ่งแวดล้อมอยู่ไดประโยชน์นะแสะดงว่าศาสนาส่งเสริมส่งเสริมแนทางนั้นเนี่ยเป็นเกษตรเป็นอุตสาหกรรมจะเป็นการค้าสนับสนุน แล้วไม่ทำอะไรแต่คนรอบข้างสิ่งว่าน้องอยู่ไม่ได้ประโยชน์คำกระสิทธไม่ได้ประโยชน์แต่เกิดความเสียหายอุตสาหกรรมเกิดความเสียหายการค้าความเสียหายไม่ใช่ไม่ใชไม่ใแนวทางที่ศาสนาส่งเสริมวิชาชีพ ต, ต่างๆนีเราก็มาดูมาวิเคราะห์มาวิจรารณ์ให้วิชาชีพ ต, ต่างๆสิ่งที่เราทำแล้วก็มันสร้างไรายได้เนี่ย ้าให้เกิดประโยชน์กับเรากับคนอื่นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันร่วมถิ่นสิ่งแวดล้อมด้วยนะสุสั์นกคนที่ทราบสิ่งในห a r i ของาาอาานนท่านระดิชนมะลาเวศ์ผลลบุญมหาศาลแล้วนี่ถ้ามียบดีนะแก่ปลูกข้าวเนี้ยนกที่มากินเนี่ยผมว่ามากกว่าคนนะจำนวนนกนี่ที่มากินทั้งวันเนะี่ยะและ้วนกเนี่ย มันไม่มันไม่กินงี๊เล่ะเราในข้าวในทีหนึ่งจานกินกี่เนะทีนึงอะกินกนับมั้ยนับได้มั้ยเป็นแสนเม็ดนะถ้าเราที่กินทั้งสัปดาห์ทั้งเดือนนะนะเป็นแสนเม็ดนักเราีก็นนับไ่งนบกี่เม็ลก่เม็ดนับนะ มากก่านั้นไอพืชที่เราปลูกเนี่ยมันก็อาจจะนํา ม, มาซึ่งแมลงแมนต่างๆแมลงนี่มันอยู่มันอยู่ในไรของเรามันอยู่ในนคื้นี่ของเราแล้วจะนกนี่มากินไม่ได้กินพืชแดงกินอะไรมแมลงใะ่ไหมถ้ากินแมลงเราก็ได้ดลไผลละมุนเพราะอะไรเพราะแมลงมันมากับพืชไง แล้วก <removes> ็นกมัน <hatır> ก like ็มากินมลแลนี่คือเรานี่ยแ้เรานยไม่ชอบร่แบบนี้เนี่ยมันไม่คุ้มอะแมลทำยั่ามันนกก็มากินพืชเราก็ทาอะไรเราก็ทำเทคโนโลยีเอาโดนมาไล่มันโดนมาไล่มาไล่นกไล่หมดทาไมอะไม่คุ้มคำนวณแนดโอนกมันกินสิบไมโอ้โีกกสอบึ่งอะหาปลกระสอบ เอุตส่าหนี่ยก็ไม่คิดอย่างนี้แม่เนาะนอกเได้ประยอะไรจากนมอกากมันมากินมากินข้าวเนี่ยได้ปรยอะไรอยงไม่ได้ประโยอะไรเลยนอากนกินแล้วมันไม่ได้ไม่ได้มาขอบคุณเราไม่ใช่แต่นี่มับอกนะว่าผลลบุญที่เราไม่ได้คาดคิดนในวิชาชีที่เราได้ทำใปกติธรมดาน่ถ้าเราสำนึกนะว่าที่จริงแล้วนี่นะ ผลทั้งหลายเนี่ยที่เราทํานี่ก็มันก็ไม่ได้ผลงานอะไรของเรานัล่ะเราโรยไปเม็ดนิเม็ดนี่มันขึ้นไปกี่รวงรมันเปกี่สิบเม็ดทั้งหมดนี่ผลงานของใครเราสร้างมันนาะในกุรอานเนี่ยเราบอกโซโลวาคือันทุมเตซราอูเนห์อํานะห์มิซาริอูนที่ได้ปกูกพ่อมันนี่นะอันตุมพวกเจ้าเป็นผู้ที่ทําให้มันงอดนัยขึ้นมาหรือเราหรืออัลลอ นน้ำก็มาจากอันโน้นดินกับของอันโนะนไม่มีอะไรเลยถ้าเราไม่ไม่มีเมล็ดพืชแต่เราไม่มีดินไม่มีน้ำเนี่ยแล้วมันจะขึ้นยังไงอะมาจากคำว่า น, น, นั้นทีนี้จะาว่ามีนอกมากินมีแมลงมากินไหนนี่เช่นเด้วนงา น, นต่างๆที่เราได้ทําำเวลาเรามีเวลามีคนมาได้ประโยชน์หรือแม้แต่เรื่องอาหารที่เราทําแล้วเป็น แบ่งให้แมวกินบ้างแบ่งให้ปะสุสัตว์กินบ้างอะไรแบบนี้เราต้องทําด้วยความใจบุญนะอย่าทำด้วยความตันหีด้วยความด้วยความหวงพยายามที่ทําทำํำคนที่บ้านอิสราเอลชายคนหนึ่งเออชายคนหนึ่งมีบาปเยอะแล้วก็ผู้หญิงคนนึงเป็นโสเภณีให้อาหารแกสุนัขผู้หญิงให้น้ำมันนะ แล้วเะให้อภัยหมดเลยยกทวหมนเลยยกทวหมนี่มอเนขาบอกว่าใช้คนนั้น่ะลงไปในบ่อนี่ไปวิทไปวิทไปดื่มน้าจากบ่อคือลงไปในบ่อแล้วก็ไปดื่มน้าเองน่ะทีนี้พอออกมาแล้วเวน่ะ ตอนนั้นมนะันน้ําน่าจะ น, นิดเดียวเนีน่นมันวนวิทไปเอา เ, เอากระละบังไปวิทนี่ไม่ได้มันน่าจะนิดเดียวเขาจะเลยต้องลงไปในบอกนี่เข้าลึกเลยนะไปกินก็ไปดื่มน้ำพอขึ้นมานี่เจอหมาหมานี่มันหิวมากอะ่ะเขาพูดกระตัวองบอกโอ้หมามันน่าจะหิวน้ำนิกว่าฉันอีกลงไปอีกนะลงไปอีกเอาจะเอาน้ํามาจะตักน้ําป็นไงเอาคุฟคุฟเนี่ยรองเท้าบีบของเขาอะ่ะตักน้ำรองเท้าเนี่ย แล้วก็จ้าแล้วก็ไปินเนี่ยคิดดีความความตั้งความมุ่ง ม, มั่นขึ้นเพื่อเพื่อให้หมากินน้ำอ่ะแค่นั้นแหะนะ <c oughs> ถาว่าม า, า, าตรฐานทั่วไปวิ่ปกติแบบคนนี้คือา็หาว่าเ้ากินน้ ำ, ลนนนนนำลแล้วก็ไปเลยเห็นหมาเห็นหมามันอยู่น้ำได้ซะแล้วก็ไป เขาคงสบายใจนะแต่คงไม่ได้เข้าประวัติศาสตร์เพราะนี่แค่ทำเงนินกะ็น่าจะเสียเวลาประมาณชั่วโมงหนะึ่งไม่น่าจะเยอะอยู่ในประวัติศาสตร์เลยเป็นแรงบันดาลใจให้คนไม่ทำความดีอย่างตออ่อเนื่องและเขาไม่ใ้ให้น้ำแกสุนัข ก, กินเพียงตัวเดียวแต่เขาได้ผลบุญทุกคนที่ให้น้ำแกปศุสัตว์หวังผลบุญเหมือนเขาเขาก็ได้ผลผลลบุญส่วนนึงนะ ดูดิเพอมธรรมดา ม, ม, ม, ม, มันมันมันเหนือการคาดของเราที่รู้ว่ามันธรรมดาแต่เราจะไม่รู้ถ้าท่านมบีไม่บอกว่าอาลัลลอ์ตอบแทนแบบนี้นะการให้น้ำสุนัขไม่ใช่ยาเบื่อแต่สุนัขมีควรเมตตาเนี่ยไม่ใช่เจอสุนัขที่ไหนนีก็ไล่ตีอย่างเดียวนี่ไม่ใช่นะนิสัยแบบนี้ไม่ใช่อิสลามนะ ไม่ใช่ไม่่อิสามไม่ไดสอนแบบนี้นะเจอหมาที่ไหนเนี่ยก็คือต้องต้องให้ตายให้ได้นะไม่ใช่เจอหมาหิวเนี่ยให้ให้อ่านได้นะให้น้าได้ได้นะไม่บาปเลยนะได้บลบุญได้ซ้ำเลยนะ h a d หลักฐานนั้ส่งเสริมชัดเจนไม่มีห a d i s ไหนไหนนี่บอกว่าเจอหมาที่ไหนเนี่ยให้ให้ฆ่ายังงมี hadis ที่บอกว่าให้ให้ฆ่าหมานี่น่าจะเป็นหมาที่แบบพวที่เป็นอันตรายอัไนีใช่แล้วแน่นอน กาสวทั่วไปเเราจะสรถให้อาหารได้ป่นนุ่นนมะเนนัดีกว่าีคุกะเดินนรสบัินทุชีวิตนะทุกชีวตเลคิดดูสิ่อถ้าหากว่าในบ้านในบ้านมีมดมีมดทั้งฝูงเนะกินน้ตากินน้ตาอรกบเนมดทั้งนามดมันมากินามันขนน้ตาทั้งวันทั้งคืนเนี่ย ทั่ต้องคิดว่ากระตุกนี่มันจะพร่องหมมันจะลดไปล้วมดนี่มันไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนอะไรมากเลยเนี่ยมันก็มันก็เดินอะไรของมันเดินดิ่มดิ่ฮะมันไม่ได้มารบกวนคิดว่าเราปล่อยให้มดนี่มันกินมันการคลิกๆน้อยๆเนี่ยเราไม่เห็นอะไรดีกว่าเฮ้ยรู้ดิไห้มดนี่มาเลยไปถึงดังนี่เนี่ย ข่าหมดเลยแน่นอนฆ่าหมดมีบาปแล้วนะริปอมันแล้ผลละบุญมหาศาลที่เราได้เพรนบีัวก็ทุกชีวิตเนี่ยได้ผลลบุญครอาาได้ผลลบุเมอเนี่ยรก็ได้ผลลบุัดเนี่ยก็ได้ผลลบุท่านนบีซุลมานเนี่ยมตมดกองทัพทั้งองเรือให้พริก ทิศทางเดินทางของของกองทัพนี่ยเพราะอะไรเพราะได้ยินมนต์เนบอกโอ้ยมุดลลบลุบกองทัพ bow, ันม hey ีส erm ุร <inet> ิมานเล่นท่นอมานเนี่ยโดนราตายหมดเลยนะแล้วมีสุมานันยก็เปลี่ยนเเปลี่ยนทิศเลยนะพี่น้องกองทัพเนี่ยมีพวงมาลัยรถเนีนอย่างนี้แล้วก็มันจะเลี้ยวเลยนสั่งให้กองทัพเนี่ยพลิกและไปคนละที่เลยเนี่ยเพื่อดศาสนาเนี่ยมีอะไรมากมายให้เราให้เราได้อุทาหอน ในแนวทางแสวงหาผลระบุนะครับพูดไปนานนิดมีคําถามไหมครับยีอยากให้เชคอธิบายหน่อยครับมีทีมีมประโยคที่เชฟพูดว่าเราจะไม่เตือนผู้ที่หลงแตจะให้ไม่เตือนผู้ที่หลงผมพูดแบบนี้ค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยหมายถึงว่าเราจะไม่เตือนคนที่หลงถ้าหากว่าเขาไม่อยากที่จะรับข้อเตือน ก็จะเป็นรูปแบบของการที่ที่พูดข่าวที่แล้วนี่อัลลอฮฺจะประวิงเวลาให้เขาได้มีโอกาสเตือนไปเองหรือรับข้อเตือนหรือมิฉะนั้นถ้าจะไม่ยอมรับข้อเตือนเลยเลยนะประวิงเวลาจนกว่าจะถึงเวลาที่อัลลอฮฺจะลงโทษอย่างสาสมแล้วก็จะไม่มีไม่มีการยกโทษให้อีกแล้วนั่นเป็นไปได้ถ้าเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ถามตอว่าอะไรเป็นสัญญาณที่บอกว่าเราโกรด ดวเรื่องดุญญาก็คือถ้าหากว่าหลักการศาสนาเนี่ยมันจะมาในตําแหน่งรองจากโลกดุนยามันจะพิสูจน์ได้เรื่องเรื่องเวลาที่เราทุ่มเทให้มันเรื่องเวลาเรื่องทรัพย์สินกิจกรรมทุ่มเทไปทางดุนยามากกว่าคุณธรรมเนี่ยการแนดงว่าเราลงมากกว่า อีเวลาแปดชั่วโมงเนี่ยหกชั่วโมงเล่นเกมสองชั่วโมงหกชั่วโมงเล่นเกมสองชั่วโมงอ่านกุศอ่านซึ่งไม่น่าจะถึงนึ่งในสองสองชั่วโมงอ่านกุศอ่านเนี่แแต่สมมุติว่าเล่นเกมหกชั่วโมงอ่านกุศลสองชั่วโมงก็ยังบริเรนนะยังถือว่าดีนะพราะมันมากกว่าเล่นบอลดูบอล สนใจเรื่องบนติดตามเรื่องบอลช่วงที่ผ่านไปแล้วเนี่ยติดตามเรื่องบนได้ไหมเรื่องการ์ซ่าเนาะโอ้ผมช่วงนี่ผมก็โอ้ผมสงสารนี่อยากดูแต่ดูบนได้อะไรแบบเนี้ถ้าจะน่าที่อยู่ต้องมใส่ได้หมดเลยเนี่ยมันมีฮะดีสมันมีฮะดีสที่ห้ามใส่นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกางแต่เป็นฮะดีส์ต่ีฟ มีซุนน่หายใจดอยมันบุคลิมุสไม่ใส่นนางกับนิ้วก้อยอันนี้มีสหรับผู้หญใส่ได้หมดอยู่แล้วนะแต่สำหรับผู้ชายเนี่ยมีข้อห้ามแต่เป็นข้อห้ามที่ดอยนิ้วกางกั้วชีใส่ได้นะยกเว้นถ้หากว่าการใส่ในนิ้วหนึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของคนไม่ดีกลุ่มหนึ่งอันนี้ก็้องดูตรงเฝ้าดู เช no ah. ่นมีกลุ่มงกลุมไม่ดีอย่างเงี้ยเขาใส่ชอบใส่นิโป้งแล้วถ้าเราไปใส่นิ้โป้งเหรอผลนุ่นแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องดูก็ตัวนี้น่ากลัวเหมือนกันกลุ่มนู่นกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็มีสารละพิกนี้แหละใส่ใส่ใส่ใส่แหวนใส่ใส่สร้อยใส่อะไรก็ยุ่งย่งเท่าียุ่งเท้มันมาอันตรายฆ่าสัตว์ทุกชนิดทุกชนิด ได้ถ้ามันอันตรายต่อเราเยาวศักด์เลยถ้ามนุษย์น่ะนะมันอันตรายต่อเราถึงชีวิตน่ะนะมนุษย์นี่มันจะมันจะเอาชีวิตเราอ่ะเราจะบอกว่าเชิญน่ะขาอยากได้บุญนะเชิญเลยอ่ะก็ต้องปกป้องตัวเองได้แต่สามีมดยุงอะไรทำมันอันตรายถ้ามันอันตราย อันตรายทางตรงทางอ้อมอันตราตงตร ง, ต ง, ตงจะมากัดเราอย่างเงี้ยฆ่าได้ทาง อ, อ้อมชิรูนมบีจึงจึงสั่งให้ฆ่าจึงจบเพราะชิรูกสาธิทําเกิดชิรุก อ, ไ, อได้ฆ่าได้แต่ก็ต้องดูวิธีฆ่ายุงเลยนะก็ไม่ควรฆ่าเใช้ไอ้ไม้ตีไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าเนี่ยใช้ไฟเนี่เพราะอันนี้มีข้อห้ามมีข้อห้า ใช้วิธีอื่ียาอะไรแบบนี้ก็ได้ตบยุงแค่นี้นะครับอัลลอฮฺเราและศาสดา m u h m m a d จัดารอุสามสลามุฮะฮนาะกุลรบิฮัดิคชลลอ